บุกทูหกสิบหกเซสติกเซสสับพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง possessive pronoun um. ดิฉันของดิฉัน me me ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบคุณของคุณ Vi, sie, via, sie. คุณหากุญแจของคุณเจอไหม ีย ล, ลอคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมชูสทรอวสเซียวเลเขาของเขายคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน chu ิซียสคีเอเลียชลอสีลอเอสตส คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนชูวิสเซีสเคียเลียบิเลโตเอสเตสเธอของเธอเงินของเธอหายชเยอโมโนโมาลาเพริสรับบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย ให้อันเขาใช้เครดิตการ์ตขอมาลาเทริสเราของเรานี่นี่ยะคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายนี่ยะอฟชอมาลซานสคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีนี่ยะอาวิญโยซานส คุณหนูของหนูวีวีอเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนอินฟ้านอย Here is t a s Via Pacio เด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนอินฟานอย h e r is the Via p a n i o